ถามว่าสมถะที่เรียกว่าแทงตลอดความประมาทเนี่ยแทงตลอดอย่างไรสมถะเนี่ยนะไปแทงตลอดความประมาทอย่างไรถามว่าสมถะเนี่ยนะที่จะบรรลุสมถะวิธีที่ทำให้บรรลุสมถะเนี่ยมีได้อย่างไรเป็นได้อย่างไรอธิบายว่าเมื่อใดบุคคลรู้อัาธาแห่งกรมทั้งหลายอันนะโดยความเป็นอัศาธารู้อัศาธาเป็นอัศาธา รู้อาทีนวะคือโทษแห่งกรรมทั้งหลายโดยความเป็นอาทีนวะรู้นิสรณะแห่งกรรมทั้งหลายโดยความเป็นนิสรณะรู้ความต่ําซามแห่งกรรมรู้ความเศร้ามองแห่งกรรมความหมดจดจากกรรมและอนิสงส์ในการออกไปจากกรรมเมื่อนั้นสมถะความสงบย่อมมีด้วยอุบายอย่างนี้ เมื่อมีสมถะตามที่กล่าวแล้วนั้นการพิจารณาย่อมเป็นไปการพิจารณานี้ชื่อว่าวิปัสนานะอันนี้พลิกจากอวิชากับตันหามาเป็นสมถะกับวิปัสนาสมถะเนี่ยแค่ไหนอย่างอย่างเช่นที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมให้รู้อาศาธ่าอาทีนวานิสรณะนะ รู้ความต่ำซามของกลามความเศร้าหมองความหมดจดอั น, นิสงออกไปจากกลามทั้งหมดนี้เป็นสมถะเพราะคําว่าสมถะในที่นี้หมายถึงสงบสงบอวิชากับสงบตันหาไอ้ที่นี้รอบรู้ขนาดไหนตันหามันจริงแต่สงบรู้นิดๆหน่อยๆนะสมมติว่าอา้าวตันหาเกิดแล้วมาท่องคาถาหลังสักสองสามคาถาเนี่ยนะพอไหมที่ตันหาจะสงบนะไม่พอไม่พอ น, นะนะ ท่องพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธอย่างเดียวนี่พอไหมที่จะสงบตัณหาได้ตอนตัณหามันเกิดจริงๆมันโอ้เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะพุโทโธยังไม่ขลังหรอกตอนนั้นท่านก็จะต้องรู้จักอัสาธาของกามกางทั้งหลายอะไรคืออัาธาของกามหนออะไรสุขโสมนัตอันใดที่อาศัยกลามเกิดขึ้นสุกโสมนัน้นอันนั้นเป็นอัสาธาของกลาง ขยะมูลฝอยทั้งหลายเนี่ยถามว่าเป็นอัศธาไหมเป็นใครที่ได้ผลประโยชน์จากสิ่งนั้นเนี่ยคนนั้นจะได้อัาธาสรุปว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งอัศส า, าเนี่ยนะทุกอย่างในโลกนี้เป็นที่ตั้งแห่งอัศาธาทุกเรื่องแต่ว่าของใครอีกเรื่องหนึ่งะทีนี้การที่เข้าไปรอบรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นที่น่ายินดีโดยประการนั้นๆเนี่ยอันนี้เป็น อัศธาเข้าไปรู้อัศาวะเออเขาหน้าเพลิดเพลินอย่างนี้นะเข้าหน้ายินดีอย่างนี้เกี่ยวข้องกับสิ่งนี้สุขอย่างนี้เกี่ยวข้องกับสิ่งนี้โสมนัสอย่าง น, างนี้การที่รอบรู้อย่างนี้เรียกว่ารู้อัศธาเนี่ยนก็มีตรงไหนบ้างที่ศาสตร์ทั้งหลายไม่สุขโ ส, ขสขมนัสเนี่ยมีไหมไม่เป็นที่ตั้งแห่งสุขโสขมนัสไม่มีนั่นแหละคือเขาจึงยึดติดกันทุกขนทุกแห่ง เคยมีลักษณะอะไรนะคนเขาชวนย้ายจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งซึ่งที่นั้นมันกันดารมากชวนไปอยู่ที่ดีๆเนี่ยนะโดยมากเขาไม่ค่อยยอมใช่ไหมทำไมติดของเก่าติดที่เก่าๆอันนั้นเพราะอยู่ที่นั่นจนมีอัศรธาเต็มที่อยู่แล้วแม้กระทั่งย้ายออกไปหาที่ดีกว่าก็ทําใจไม่ได้ะนะอย่างบางคนนะรถก็เก่าเสียก็บ่อยนะพอจะซื้อใหม่ได้แต่ก็อาว و ์กับคันเก่าอยู่ เออนะมันมั น, ม, นมันอัาธาอยู่ไอ้ก่คันเก่าเนี่ยมากก็เลยไม่ยอมปล่อยง่ายๆเนี่ยนะก็ทุกอย่างในโลกนี้สรุปว่าเป็นที่ตั้งแห่งอัศาธาหมดเลยมันการที่เข้าไปรอบรู้ว่าสักทั้งหลายเนี่ยเข้าไปอัศาธาอย่างนี้เนี่ยนะเข้าไปหน้าเพลิดเพลินอย่างนี้เออถ้าอย่างนี้จะทำให้พอที่จะตัดฉันธราคะได้ทำให้สงบได้เออนี่คนอื่นเขาโสมนัส ถ้าเราอโยนิโสมนัสิการเกิดเราก็จะโสมนัสในเรื่องนั้นก็เริ่มเห็นโทษใช่ไหเพันธุการที่เริ่มเห็นโทษในลักษณะนี้นี่เป็นสมถะเนี่ยนะเป็นสมถะส่วนอาทีนะวะเนี่ยนะรู้โทษแห่งกามก็คือรู้ว่ากามทั้งหลายมีอัฏฐะโยแต่ว่าน้อยมากโทษของมันเนี่ยมีมากยิ่งนักเนี่ยนะโทษของวัตถุนั้นๆเนี่ยนะมีมากกว่า อัสาธาอัศธาน้อยนะแต่ว่าอาทีนวะมีมากกว่าอย่างที่พระองค์แสดงบ่อยมากเลยนะว่ากามทั้งหลายเนี่ยนะมีอัศธาน้อยมีทุกข์มากกามทั้งหลายเหมือนร่างกระดูกไม่มีใครบริโภคอิ่มจริงๆในในวัตถุ ก, กามเนี่ยนะไม่มีอย่างอย่างข้าวของเครื่องใช้เนี่ยใครใช้อิ่มจริงๆเลยดูทีวีนะใครดูจนอิ่มบ้างเอะแต่ดูจนเป็นโรคกระเพาะเนี่ยอาจจะมีใช่ไหม ไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมกินอะไรนะดูจนอ้วนอะไอย่างเงี้ยนะมีดูไปกินไปเนี่ยนะนะ <c oughs> แล้วใครดูอิ่มบ้างอ่ะดูดูจนอิ่มเลยนะไม่อิ่มอ่ะนะก็พอติดไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรเนี่ยนะท่านท่านทงจึงบอกว่าเหมือนร่างกระดูกไม่มีใครแทะเล็มอิ่มจริงๆริงอยนะกนะามทั้งหลายเหมือนชิ้นเนื้อนะโอ้ยสุกแย่งชิงกันขนาดไหนกว่าจะได้วัตถุทั้งหลายเนี่ยนะ ว่าถูกทั้งหลายเป็นที่การแย่งชิงกันจริงๆเนะก็่นะกเหมือนชิ้นเนื้อก็บอกว่าเหมือนอย่างว่ามีนกตัวหนึ่งไปไปลักชิ้นเนื้อมัได้กก้อนหนึ่งโตมากเลยคาบบินมาไอ้นกตัวอื่นมันก็บอกมานี่แบ่งขั้นบั่งเนี่ยบอกไม่ได้ฉันอุตส่าห์ไปคาบมาบอกแกไม่แบ่งเด้อไม่แบ่งฉันตีกันก็แล้วกันตีซะจะบักจะบอมหมดเลยนะไอ้ตัวนี้ก็ปโปรยออกไปตัวใหม่ก็อ้าปากครับนะได้ชิ้นเนื้อแล้วบินหนีอีกพวกก็มาซ้อมใหญ่เลยนะคายทิ้งอีก ก็สบักสบอมกันเป็นแถบๆหมดอะนะนี่เรียกว่ากามทั้งหลายเหมือนชิ้นเนื้อก็แย่งชิงกันจริงๆเลยนะเหมือนไอ้ขอมานึกถึงไอ้เข็มขัดมวยโลกเลยนะโอ้ยต่อยกันก็้ัสบักสบอมหมดอ่ะนะเอาเข็มขัดไปอ่ะนะใครชนะเอาไปวันหลังบอกเอามาถ้าดีๆไอ้เข็มขัดอันนั้นบอกไม่ให้บอกไม่ให้กใหแกต้องเจ็บนะก็เลยสบักสบอมกันหมดอ่ะนะแย่งเข็มขัดอันเดียวนะนะั่นน่ะก็ทำแจกกันเนาะ แล้วก็กามทั้งหลายเนี่ยเหมือนคบเพลิงที่ถามบอกว่ากามทั้งหลายเหมือนคบเพลิงเป็นยังไงใครเคยถือคบเพลิงเดินทวนไฟไหมแค่แค่ถือเทียนเดินเวียนเทียนน้าตาเทียนหยดใส่นี่ก็หนักอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้กามทั้งหลายถ้าเหมือนเหมือนอะไรนะไอ้ท่อนไม้แบบ้าอีสานเขาจะมีพวกลำปอลำยาคายาไม า, ม, ามัดมั ด, มดแล้วก็จุดไฟแล้วก็เดินถือทวนลมเนี่ยนะโอ้หเศษนั้นมันจะตกใส่ตัวขนาดไหนใครที่ถือวัตถุ ก, กามอยู่นะที่ไม่เจ็บซอยปวดร้อนเพราะสิ่งนั้นอ่ะ ไม่มีรกักนะนะแล้วกามทั้งหลายก็เหมือนหลุมฐานเพลิงจริงๆคําว่าหลุมฐานเพลิงนะ่ะร้อนทั้งภพนี้ด้วยแล้วก็ร้อนทั้งภพหน้าด้วยและการมทั้งหลายก็เหมือนกับความฝันเหมือนชีวิตที่ผ่านมานะฝันเอานะไม่เหลือแล้วตอนนี้นะทีนี้ต่อไปนะฝากการมทั้งหลายก็เหมือนของขอยืมเหมนไะอย่างเสื้อผ้าที่เราใช้แต่ละชุดแต่ละชุดนี่ยืมชัดเลยนะแล้วจะเอาไปใช้ตลอดได้ไหมเอา ให้ชุดนี้ตลอดไปเขาทําใจไม่ไหวนะมันก็ของขอยืมเวียนไปเรื่อยเวียนไปเรื่อยฝันกางทั้งหลายก็เหมือนผลไม้เหมือนผลไม้นะเขามีต้นไม้อยู่ต้นมีผลดกมากเลยสูงสูง20เมตรเนี่ยนะเป็นต้นไม้ผลดกมากไอ้เจ้านี้เก่งมาถึงเห็นเออผลไม้ผลดกไอ้เราก็ปีนเป็นเนี่ยมีตกสักสักลูกเลยก็เลยขึ้นไปบนต้นไม้ไปนั่งกินนอนกินผูกเปล ก, กินอยู่บนต้นไม้เลยนะ เจ้าหลังถือขวานแบกมาประบอกเออนี่ผลไม้ทําไมไม่มีตกเลย้ขวานเราก็มีขึ้นต้นไม้ก็ไม่เป็นฟันซะเลยเห็นไหมฟันโค่นอยู่นั่นน่ะนะถาไมไอ้เจ้าข้างบนเนี่ถ้าไม่รีบลงจะเป็นยังไงก็ล้มมาพร้อมกับต้นไม้ก็ทําไม่ตายก็ปางตายนั่นแหละฉันได้บอกวัตถุ ก, กามทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าไม่ออกนะอะไรจะเกิดขึ้นถ้าไม่รีบลงออกจากกามก่อนเนั่นนะ เรียกว่ามีสิ่งนั้นๆแล้วเพลิดเพลินอย่างเต็มที่เลยนะสมมุติถ้าเรามีสวนสักแปลงหนึ่งนะมีต้นไม้เต็มไปหมดเลยนะไม่คิดจะเจริญกุศลธรรมเพื่อออกเลยนะจิตนี้ครุ่นคิดแต่ในเรื่องในสวนในบ้านหรือในอะไรที่ตัวเองสร้างขึ้นมานะมีความสุขกับสิ่งนั้นเลยนะถามว่ามีสิ่งนั้นเป็นอารมณ์แล้วตายเกิดใหม่เอาไหมไม่แน่ถ้ามีสิ่งนั้นเป็นอารมณ์มากเคยถามผู้การแซวๆถามอันนี้ผู้การมันมีรีสอร์ทเป็นอารมณ์นะเอาไหม ยังไม่เอาเลยนี่ขนาดไปทําเป็นจริงเป็นจังมากนะเหน็ดเหนื่อยมากเลยนะให้มีเป็นอารมณ์ก็ไม่เอาอีก <c oughs> ถ้ามีแนละ้วเป็นอะไรพุกการบอกเป็นกบเป็นเขียดยแถวๆนั้นเลยแต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมบอกเป็นไปได้ก็ในในมหาสุทัศน์สูตรเนี่ยตรัสไว้อย่างนั้นเลยก็บอกว่าดูก่อนเทวีเธออย่าพูดอย่างนั้นเพราะว่าผู้ที่ตายแบบอะไรอาวรเนี่ยตายแล้วเป็นทุกข์ขวางกัน คือพระเจ้ามหาสุทัศนะเนี่ยบอกกับพระมเหสีเนี่ยนะว่าอย่าไปบอกว่าพระองค์เนี่ยมีประสาท8ปดหมสี่ันหลังพระองค์ขอให้ยินดีเธอเนี่ยนะอย่าตายเลยแปล ง, ง่ายๆเนี่ยนะพระองค์มีผ้าเท่านั้นมีรถเท่านีน้มีวังเท่านั้นมีสนมนารีเท่านี้เท่านี้พระองอย่ายินดีในการตายให้ยินดีในการเป็นอยู่เธอะ พระเจ้าสุทัศน์นะบอกว่าเธออย่าพูดอย่างนี้เธอนี่พูดไม่ดีเลยนะถ้าเธอพูดอย่างนี้เพราะว่าผู้ที่ตายอย่างนี้ตายแล้วเป็นทุกข์อัตถกถาก็บอกว่าเพราะว่าผู้ที่มีสิ่งเหล่านั้นเป็นอารมณ์เนี่ยสมมติมีเรือนเป็นอารมณ์แล้วอยู่เป็นอะไรในเรือนเอาสมมติถ้าเราตายปับ๊บแล้วต้องมาอยู่ในเรือนหลังนี้สมมุตินะเรือนของเราอ่ะนะเราจะอยู่ในฐา น, นะอะไรต่อไปเอาก็คิดดูนะถ้าเป็นมนุษย์ใครในนั้นพอจะมีลูกได้บ้งางเนา ใครจะมีลูกอันในบ้านของเราใครจะมีลูกได้บ้างอ่ะก็บางคนเนี่ยแทบไม่มีเลยนะเพราะไม่มีผู้หญิงพอที่จะตั้งครรภ์ไดนะ้เป็นมนุษย์เราก็หมดสิทธิ์ต่อไปถ้าเป็นรุ ก, กเทวดาเป็นผีเจ้าที่ตรงนั้นก็ต้องไปแย่งเขานะแล้วต่อไปนะที่เหลือก็อบายภูมิหมดในคันนี้ถ้าอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็อยู่อะไรฐานนะจิ้งจกตุกแกห่วงเสามากก็เป็นปลวกกินเสาซะเลยไนล่ะ นะก็เป็นไปได้อยู่แล้วที่จะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นผู้ที่ตายแบบข้่องอาวรเนี่ยตายแล้วก็เป็นเป็นทุกข์เนี่ยนะก็นั่นคือโทษแห่งกามทั้งหลายจริงๆถ้าใครไม่รีบออกนะตะกะตะกลามอยู่กับที่นั้นสิ่งนั้นเลยเนี่ยไม่คิดจะออกอะ่ะก็พบใหม่ก็อยู่แถวนั้นแหละกามทั้งหลายเหมือนหอกเหมือนดาบเนี่ยนะเจ็บปวดทั้งนั้นเลยนะที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะ คือเข้าไปเกี่ยวกับวัตถุใดแล้วไม่เจ็บกลับมาเนี่ยนะหายากอย่างน้อยเนี่ยเจ็บใจมาจนได้ใช่ไหมที่ทํางานที่ว่ามันสนุกสนุกนะในที่สุดยังเจ็บใจกลับมาเลยนะโดยที่สุดแม้แต่ไปวัดฟังธรรมกลับมายังไม่สบายใจเลยนะบางครั้งยังมีอย่างนั้นเลยจะกล่าวไปยายถึงระดับล่างๆแล้วว่างัางางง้นแต่ก็กามทั้งหลายเนี่ยพระ อ, องค์บอกว่าเหมือนหัวงูเห่าหมายความว่าดูแล้วน่ายินดีมาก ในเริ่มต้นเนี่ยดูน่ายินดีใครที่ไม่เคยรู้จักงูว่ามันมีพิษมีโทษนะสวยนะหัวไหมดูข้างหั ว, วมันมีอะไรนะมีดอกจันทร์มีอะไรเต็มศีสากไปหมดดูสวยดีนะ้าเอาไปเลี้ยงน่ารักมากอนะแต่เนื่องจากว่ารู้พิษส่ง้องมันก็เลยมองเป็นโทษไปซะแล้วนมะนะนะันโทษของกามเนี่ยนะมีมากกว่าอสาทะยิ่งนักนียนะนะอัาทะมีอยู่แต่ว่าน้อยเกินไป อาทีนวะมีมากกว่าแล้วก็ต้องรู้นิสรณะของกามเนี่ยนะผู้ที่หลุดพ้นจากกามสลัดออกจากกามนี้ด้วยอะไรบอกด้วยปฐมฌานเฉพาะตรงนี้นะที่เป็นสมถะตรงนี้นะในเนติปกรณ์ข้อสาสิบตรงนี้นิสรณะของกามตรงนี้หมายถึงปฐมฌานปฐมฌานเนี่ยออกจากกามนะถ้าเกิดเป็นพรหมก็พ้นจากโลกของวัตถุ ก, กาม ก็พระะ น, นรู้ปฐมมชานเนี่ยที่เป็นนิสรณะคือเป็นที่ออกจากกรรมแล้วก็รู้ความเลวซามของกรรมความเศร้าหมองของกรรมที่บอกว่ากรรมเนี่ยนะเลวสะต่ํมซามเศร้าหมองเนี่ยเศร้าหมองอยังไงเศร้าหมองเพราะว่าใครที่เข้าไปเกี่ยวข้องเศร้าหมองในสิ่งนั้นเพราะกามสัตว์ทั้งหลายจึงเศร้าหมองความเศร้าหมองในโลกนี้เอาอะไรเป็นประมาณเอาจิตเศร้าหมองใช่ไหม เกี่ยวข้องกับอะไรมั่งจิตเราไม่เศร้ามองไม่เศร้ามองด้วยราคาก็เศร้ามองด้วยโทสะวัตถุกามทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้ามองด้วยราคะโทสะเป็นต้นวัตถุทั้งหลายเป็นที่ตั้งแหง่งนิวรนเกิดขึ้นเนี่ยนะนิวรนเวลาเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นโดยมีวัตถุมีสิ่งนั้นๆันั่นแหละเป็นอารมณ์เพราะนั้นการพิจรารณาความรู้ในความเศร้ามองความต่ำแซมของกามทั้งหลาย อันนี้ก็นับว่าเป็นสมถะเพราะว่ารู้ว่าใครเข้าไปเกี่ยวข้องมันเศร้ามองไม่ได้นะผู้การว่าไงมันอดไม่ได้นะว่าัน้งก็นนะงกเดือดร้อนอีกจนได้นะแต่ว่าถ้าสลัดออกจริงๆก็หมดจดนะว่าผู้ที่สลัดออกคือใครที่ปรารถนาขอส่วนแบ่งวัตถุตามมานะที่ไม่เดือดร้อนไม่มีเนะนี่ยนะถ้าถ้าคือคือมันของมันมีจํากัดใช่ไหมทุกคนก็อยากได้ ถามว่าทํำยังไงจึงจักได้อ่ยทุกคนก็ต้องการเราก็ต้องการสิ่งเดียวกันเนี่ยขอบเขตมันเดียวกันเนี่ยหนังสือเล่มเดียวเนี่ยนะเวอยากอ่านเวลาเดียวกันเนี่ยทำยังไงอ่านด้วยกันก็ไม่ได้มันที่การพิจารณาดังกล่าวไปแล้วเนี่ยนะกล่าวพิจารณาอัสธ า, าอาทีนวนิสรณะรู้ความเศร้ามองรู้อ น, นิสง์ การออกจากกามทั้งหมดเนี่ยพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าเป็นสมถะขณะที่พิจารณาอย่างนี้เนี่ยนะด้วยจิตที่เป็นกุศลธรรมถามว่าสงบไหมสงบพิจารณาดังกล่าวตามที่กล่าวไปแล้วนะสภาพจิตที่พิจารณานี้สงบอัตถกถาท่านยกพุทธพจน์ว่าสมาหิโตยะสมาฮิโตภิกเเวยะถยะถาภูตังปชานาติ ดูก่อนพ่สู่ทั้งหลายเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงเนะเพราะฉะนั้นการพิจารณาย่อมเป็นไปใช่เมืม่อเมือม่อสงบสงบแบบผู้พิจารณาผู้พิจารณาจริงๆเนี่ยนะไอการพิจารณาอ น, นั้นเรียกว่าวิปัสนาธรรมสองเหล่านี้คือสมถะและวิปัสนาย่อมถึงความบริบูรณ์แห่งภาวนา เมื่อทำทั้งสองเหล่านี้อันบุคคลเจริญแล้วธรรมะสองอย่างคือตัณหาและอวิชายาม่ถูกละออกไปเมื่อทำทั้งสองอย่างเหล่านี้อันบุคคลละได้แล้วอุปาทานสี่ย่อมดับเนี่ยนะถ้าละอวิชาละตัณหาได้เนี่ยนะอวิชายาตเวอเสสสวิราคานิโรโทเนี่ยถ้าสำรอกอวิชาโดยไม่มีส่วนเหลือสังขารก็ดับถ้าสังขารดับอุปาทานก็ดับหรืออีกในหนึ่ง เพราะเพราะสำโรคตัณหาโดยไม่มีส่วนเหลืออะไรดับอุปาทานก็ดับถ้าอุปาทานดับภพก็ดับถ้าภพดับชาติก็ดับถ้าชาติดับชรามรณาโศกอะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตจึงดับเพราะฉะนั้นสรุปว่าเพราะว่าตัณหากะวิชาถูกละออกไปอุปาทานสีก็ย่อมดับถ้าอุปาทานสีดับภพก็ย่อมดับนะ ถ้าพบดับชาติก็ดับถ้าชาติดับชรามรณาโซโกับปริเทวะทุกโทมนัตและอุปาญาติก็ดับความดับแห่งกองทุกทั้งสิ้นย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้สัจจะสองข้างต้นคือทุก์และสมุทัยอ่ะนะก็อ ะ, อะไรนะอุปาทานขันห้าเป็นทุกใช่ไหมอุปาทานเป็นสมุทัยสมถะด้วยวิปัสนาด้ว ย, ววยชื่อว่ามัคที่สแสวงหาที่สงบความดับแห่งพบชื่อว่านิพานอันเป็นที่สงบ สัจจะสี่ถูกยกมาแล้วอย่างนี้อันนี้ในคาถาเนี่ยนะเป็นแสดงแบบอวัตตหาระพริกให้ดูทั้งฝ่ายวัตตะและวิวั ต, ตะพร้อมทั้งหาประทัฐานนะพิจารณาให้ดูอันนี้เป็นตัวอย่างที่หนึ่งของอวัตตหาระอันดหนึ่งตัวอย่างนะอย่างจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยนะ อย่างแม้แต่เอกัคคตาก็เอกัคคตาแห่งจิตใช่ไหมเก็ดีนะเอกกคคตาแห่งจิตถ้าบอกจิตตั้งมั่นก็เรียกว่าตัวเอกัคคตานั่นแหละทําให้ตั้งมั่นทีนี้การตั้งมั่นในคําสอนเนี่ยไม่ใช่นิ่งเป็นหลับนะไม่ใช่นะมันเป็นความสงบด้วยการสงบด้วยปัญญาสงบด้วยการพิจารณาสงบด้วยความรอบรู้ สมถะที่คู่กับวิปัสนาตรงนี้นี้มันมันเป็นสมถะที่เกิดจากการพิจารณารู้เห็นตามความเป็นจริงของสภาพนั้นๆของธรรมะนั้นๆแต่ทำไมพอตรงนิสรณะพระอาจารย์อธิบายว่าเป็นการสงบด้วยปฐมฌานซึ่งมันเหมือนกับเป็นการอ่าเป็นการนั่งเพ่งกระสินอะไรทานองนั้นนะคะเธอวัตถุกรรมทั้งหลายเนี่ยนะที่จะ ที่จะนิสระนาเข้าได้จริงๆต่อเมื่อเข้าปฐมฌานทีนี้ปฐมฌานเนี่ยนะตัววัตถุการมเนี่ยก็ต้องอันนี้พูดแบบกว้างๆวัตถุกรรมที่เราปรารถนาเนี่ยคืออะไรว่าโดยสภาวะก็คือปฐวีาธาตุใช่ไหมวัตถุการมเนี่ยนะเบื้องหลังของวัตถุการมทั้งหมดก็คือปฐวีอาปโปเตโชและวายโย ก็พิจารณาปัทวีเหล่านั้นโดยอารัมมณะปัทวีเป็นต้นน่นะโดยอารัมมณะปัทวีเป็นต้นหรือปฏิกูลมนสิการก็ต่อให้ได้ปฐมมชานอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นตรงที่ว่าทาสองอย่างนี้คือสมถะแล ะ, ะวิปัสสนาย่อมถึงความบริบูรณ์แห่งภาวนาอันนี้หมายถึงว่าการพิจารณาด้วยสภาพจิตที่เป็นสมถะสงบ แล้วก็วิปัสนาพิจารณาธรรมะตามความเป็นจริงไปด้วยหรือว่าต้องเป็นการที่แบบว่ า, าได้ปฐมฌานสลับไปคะหรื อ, อยังไงคะคือสาคัญเนี่ยนะถ้าอารมณ์นั้นเนี่ยอยู่ที่มนัิการอย่างไรเป็นศีลมนัิการอย่างไรเป็นสมถะมนานัิการอย่างไรเป็นวิปัสนาในสิ่งเดียวเนี่ยสามารถมนานัิการได้หลายอย่าง ที่พระองค์ตรัสบอกท่านพระโสณะใช่ไหมจงรู้อะไรจงอย่างรู้นิมิตที่อธิบายว่าส ม, มถทานิมิตกับวิปัสสนานิมิตคิดอย่างไรเป็นส ม, มถะคิดอย่างไรเป็นวิปัสสนาตรงนั้นต่างหากที่ที่น่าน่าสนใจเนี่ยนะคือวัตถุเดียวอารมณ์เดียวอย่างที่กล่าวว่ามหาพูดเนี่ยคิดยังไงเป็นส ม, มถทคิดยังไงเป็นวิปัสสนาโดยที่มีมหาพูดเป็นอารมณ์ นะถ้าเข้าใจตรงนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาทีน่นี้ที่สําคัญเนี่ยนะการเจริญอย่างนี้เป็นการเจริญสลับคร่าคล้ากันไปซึ่งเว้นไว้แต่ว่าฟังแล้วบรรลุทันทีนะพิจารณาใช้เวลาไม่นานแต่ถ้าปกติแล้วกลับไม่เป็นอย่างนั้นคือถ้าพิจารณาทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะหรือเจริญเป็นเป็นการเป็นอาชีพที่เรียกว่ากรรมฐานไม่ใช่ว่าเจริญขณะเดียวก็เจริญสลับคร่าคล้คลกันไปในแง่สมถะบ้างวิปัสสนาบ้างเป็นต้น แล้วพระอาจารย์คะแล้วก็มีอีกคํานึงที่บอกว่าฌานมีสองอย่างคืออารัมณูปนิชานและลักคนูปนิชานอันนี้ลักษณะข้อสมถวิปัสนาตรงนี้คงจะเข้าลักษณะที่แบบว่าลักคนูปนิชานคือการเพ่งพิจารณาลักษณะของธรรมะด้วยสภาพจิตที่สงบอย่างนั้นหรือเปล่าคะก็เอาทั้งสองเลยนะทั้งลักคนูทั้งอารัมณูคือดังที่คําสอนถ้าเราเรียน ที่เรียกว่าหาหลักคนาหาราเนี่ยนะหรือหาระอื่นๆก็ตามโดยวัตถุประสงค์ของคําสอนเนี่ยการปฏิบัติธรรมยังไงก็ต้องดาเนินไปตามวิสุทธิเจ็ดอยู่แล้วเนี่ยนะมันไม่มีข้อปฏิบัติอันอื่นพิเศษที่ไหนหรอกเพียงแต่ว่าใช้พยัญชนะที่ตรงๆโดยมากก็คือหลีกเลี่ยงความซ้ำซากเนี่ยนะเพราะว่าแสดงตามอัธยาสัยของมวนเวไนททั้งหลายก็ก็ถ้าว่าพิจารณาตามนั้นไปก็ไม่มีอะไรพิเศษ อย่างเช่นอาทินวะคืออะไรอาทินวะก็คือกลุ่มอาทินวานุปัสนาอัาธาก็คือพิจกลุ่มตันหาเป็นต้นนิสรณะก็ตรงนี้ยกตัวอย่างเป็นสมะถะใช่ไหมสมะถะวิปัสนาพวกนี้ก็คละเคล้า ก, กันตาอยู่แล้วอย่างเห็นโทษความเศร้าหมองของกามเป็นต้นอันนี้ก็คือเห็นภายในวะตะเนคขมะถ้าออกแล้วดียังไง น, นะถ้าหมกมุ่นอยู่ในสิ่งนั้นมีโทษยังไงถ้าออกแล้วดียังไง พวกนี้ก็เป็นกลุ่มมิปั ส, สนาชั้นสูงในที่สุดพิจารณาไปอย่างนี้บ่อยๆจิตก็ย่อมเบื่อหน่ายนำมาเสื่งความคลายกําหนัดในที่สุดก็ทําที่สุดแห่งวัตะได้เนะนะเพราะว่าอารมณ์นั้นจะไม่เป็นอารมณ์แห่งปฏิสนธิต่อไปไอ้ที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะการพิจารณาทั้งหมดเนี่ยจนกว่าจะหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นเนี่ยหลุดพ้นว่าสิ่งนั้นจะไม่เป็นอารมณ์ของจุติปฏิสนธิอีกต่อไป เพอย่าลืมว่าวัตถุประสงค์ของการพิจารณาทั้งหมดเพื่อออกจากปฏิสนธิเนี่ยนะโจทย์ของเขาทุกทั้งหมดเลยนะถ้าถ้าตั้งโจทย์มาเนี่ยวัตถุประสงค์ของการเจริญวิปัสสนามันเป็นทุกข์มันเป็นโทษมันเป็นภัยอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นโดยประการทั้งปวงเพื่อต้องการหลีกไม่ให้เป็นอารมณ์ของปฏิสนธิอีกต่อไปแต่ที่จะหลีกได้ก็ต้องมีสิ่งหนึ่งเป็นอารมณ์ก่อนอนะต้องมีเกาะก่อนใช่ไหมจึงจึงจะเรียกว่าหลีกได้พ้นแล้ ถ้ามีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนิพพานเนี่ยไม่ใช่อารมณ์ของจุติปฏิสนธินั้นการค้นคว้าจนจะเรียกว่ามีบทอันสงบเป็นอารมณ์นั่นแหละคนไปขนาดนั้นอ่ะเขาจึงออกจากจุติและปฏิสนธินั้นในระหว่างการค้นหาบทอันไม่ตายอย่างนี้จะต้องพิจารณาอย่างละเอียดขนาดไหนะนะเหมือนกัเหมือนอย่างว่านะสับจนละเอียดเป็นผงหมดอ่ะนะต้องขนาดนั้นอนะ่ะจนทั้งขั้วทั้งเทาทั้งสับสารพัดอ่นะนะ จนกว่าจะลีกออกจากสังขารนิมิตเหล่านี้ได้เพราะในกิจกรรมระหว่างนี้เนี่ยไม่ควรว่าไม่ควรอะไรนะอะไรก่อนอะไรหลังเป็นต้นเนี่ยจริงๆแล้วสลับพระเคล้ากันไปเนี่ยนะสลับคระเคล้ากันไปในกาลสูตรพระองค์ตรัสว่าเจริญสมถะตามการเจริญวิปัสนาตามการฟังทำตามการเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉค น, นนี้เขาเข้าเจริญตามกาลละคำว่ากาลเนี่ยกาลไหน กาละเมื่อจิตหดหู่เป็นสมัยที่จะเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงเป็นสมัยที่เจริญวิริยะสัมโพชฌงเป็นสมัยที่เจริญปีติสัมโพชฌงสมัยใดเมื่อจิตฟุ้งซ่านเป็นสมัยที่จะต้องเจริญสมาธิสัมปัสสัทธิสัมโพชฌงสมาธิสัมโพชฌงอุเบกขาสัมโพชฌงข่มในสมัยที่ควรขมยกในสมัยที่ควรยกประคองในสมัยที่ควรประคอง เพราะฉะนั้นการเจริญเนี่ยเขาเอาสภาพจิตแล้วก็เจริญไปตามคุณภาพของจิตในขณะนั้นๆจนกว่าจิตจะไม่เศร้าหมองในวัตถุแห่งการมทั้งหลาย